บทที่สามสิบเจ็ดหลังอาหารเช้าวันรุ่งขึ้นพระมหาทองยอดเป็นมกคุเทศพาคณะผู้สแสวงบุญไปชมมหาวิทยาลัยนารันทาที่อดีตเคยรุ่งเรืองแต่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังไว้ให้ผู้พบเห็นเกิดธรรมสังเวชมกคุเทศกิติมศักดิ์ สามารถบรรยายให้เห็นความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลกทำให้ผู้ฟังนึกจินตนาการไปถึงความรุ่งโรจน์เรองรองของนารันทาในครั้งอดีตผู้ออกแบบก่อสร้างจะต้องมีความรู้ในวิชาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดีจึงสามารถสร้างตึกสูงถึงเก้าชั้นได้ ขนาดที่สมัยนั้นการสร้างอาคารสูงที่สุดก็คือเจ็ชั้นเมื่อผู้ฟังและผู้บรรยายพากันเดินมาถึงบ่อน้ำแม่ชีปวนก็ถามขึ้นว่าทำไมจะต้องเอาเหล็กมาทำเป็นตาข่ายปิดปากบ่อไว้ด้วยหรือว่ากรัวคนจะตกลงไปพระมหาทองยอดตอบว่าเมื่อก่อนก็ไม่มีตาข่ายเหล็กปิดแต่ที่ต้องทำขึ้นในภายหลัง เพราะมีสามีหัวใสคนนึงฆ่าภรรยาแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ในบอ่อเพื่อตัวเองจะได้ค่าสินสอดเมื่อแต่งงานใหม่ถึงขนาดนั้นเลยหรอครับท่านพระครูถามเพื่อความแน่ใจท่านคงคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมเมื่อก่อนผมก็คิดอย่างเดียวกับท่านแต่พออยู่ที่นี่นานๆเข้าสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้เกือบทุกเรื่อง แล้วจะผัวใจร้ายคนนั้นได้ค่าสินสอดไหมคะสตรีที่จ้างฆ่าสามีถามนอกจากไม่ได้แล้วก็ยังถูกจับติดคุกอีกด้วยตอนนี้ยังอยู่ในคุกแต่ก็ไม่แน่นนะออกจากคุกอาจจะได้แต่งงานใหม่ก็ได้ยังจะมีคนมาขออีกหรือคะและไม่กลัวถูกฆ่าอีกรึหล่อนยังไม่หายสงสยัย กลัวนะ่ะคงกลัวแต่ก็กลัวมากกว่าก็คือกลัวไม่ได้แต่งงานผู้หญิงอินเดียเขาถือว่าเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าใครไม่ได้แต่งงานเวลาตายศพจะไม่ได้รับการเผาจะถูกโยนทิ้งในแม่น้ำเป็นอาหารของกุ้งปลากาแรงแล้วก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงขนขวายที่จะแต่งงาน ส่วนที่แต่งแล้วก็จะเลิกกันก็ไม่เป็นไรเพราะถึงอย่างไรตอนตายศพก็ได้รับการเผาแล้วก็มีสิทธิ์ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยเจ้าอาวาสวาดัดนาลันทาอธิบายแต่ฉันคงไม่อยากเกิดเป็นผู้หญิงอินเดียหรอกค่ะเพราะต้องเสียค่าสินสอดไปขอผู้ชายดีไม่ดียังต้องเสียงให้ถูกสามีค่าอีกลอนเริ่มคิดถึงสามี อย่างน้อยเขาก็ดีกว่าผู้ชายคนที่ฆ่าภรรยาแล้วอศบมาทิ้งในบ่อนี้เดินชมมหาวิทยาลัยนารันธาแล้วมคุเทพกิติมศักดิ์จึงพาคณะผู้สแสวงบุญไปนมัสการสัตูบที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุศร์แด่พระสารีบุตรซึ่งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนารันธาจากนั้นจึงพาไปนมัสการหลวงพ่อดำ ระหว่างทางที่เดินก็ต้องคอยหลบปลีกทุนระเบิดที่บาบูและบาบีทั้งหลายมาถ่ายทิ้งไว้นอกจากจะคอยเลี้ยงทุนระเบิดแล้วก็ยังต้องแหวกฝูงขอทานซึ่งมีทั้งคนแก่และลูกเด็กเล็กแดงที่พากันส่งเสียงร้องขอเงินบ้างก็ตีกันทะเลาะ ก, กันทั้งที่ไม่มีผู้ใดให้ทานแม้แต่คนเดียว หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นปูชนียวัตถุคู่มหาวิทยาลัยนาันทามาช้านานพวกญาติโยมที่มาจากประเทศไทยหลายคนเล่าว่ามาอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อดำขอให้กลับไปร่ำรวยธรรมะค้าขึ้นแล้วก็จะมาสแสวงบุญในดินแดนพุทธภูมิอีกพอกลับไปก็ร่ำรวยจริงๆ จึงได้มาอธิษฐานอีกว่าขอให้ร่ำรวยยิ่งกว่าเกา่าบางคนมาสามปีสี่ปีติดติดกันบอกว่าพอคิดว่าจะหยุดสักปีปรากฏว่าชักจะแย่ลงเลยคิดถึงหลวงพ่อ ด, ดำต้องมาอธิษฐานขอพร อ, อีกญาติโยมฟังอาตมาพูดแล้วจะลองอธิษฐานดูบ้างก็ได้ท่านแนะนำ บรรดาญาติโยมจึงพากันอธิษฐานขอให้ร่ำให้รวยโยมเสงงไม่ได้อธิษฐานให้ร่ำรวยแต่ขอให้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้เขาตั้งใจแน่วแน่ว่าเมื่อกลับเมืองไทยจะไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงการมาแสวงบุญในครั้งนี้เขารู้สึกถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาออกเสียใจนิดๆที่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนเข้าปัจชิมมวัย จึงได้คิดที่จะปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานโชคยังดีที่ไม่ตายเสียก่อนไม่เช่นนั้นก็คงหมดโอกาสที่จะพบของดีที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้แก่โลกแม้จะเป็นการคิดในใจทว่าท่านพระครูก็รู้ท่านพูดกับบุรุษวัยเจ็สิว่าอาตมามั่นใจว่าคำอธิษฐานของโยมจะต้องสำเริจผล โยมไม่ต้องไปเสียใจเชื่ออาตมาตเถอะครับผมจะเชื่อหลวงพ่อสามีโยมผ่องใสพูดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในท่านพระครูยิ่งนักท่านมหาทำไมพระนาศิกและนิ้วพระหัตของหลวงพ่อดำจึงบินล่ะครับ หลวงพ่อวัดดอนเมืองถามพระมหาทองยอดเมื่อเห็นหลวงพ่อดำอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์เพราะกองทัพมุสลิมเติร์กพยายามจะทำลายทั้งทุบทั้งเผาแต่ก็ไม่อาจทำลายได้เพียงแต่เสียหายเล็กน้อยคนก็เลยเชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จึงพากันมาอธิษฐานจิต และขอพอรจากท่านอย่างที่ผมพูดเมื่อตะ ก, กี้นี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะสนับสนุนให้ชาวพุทธเชื่อในเรื่องความคลังหรือความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพียงแต่ผมยกตัวอย่างคนที่เข้ามานมัสการท่านพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างงมงายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวริษปฏิหารแต่อย่างใดคือเชื่อได้แต่ยังถึงกับงมงาย เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถนำเราไปสู่ความพ้นทุกได้พระหมหาทองยอดอธิบายเพื่อไม่ให้ชาวพุทธตกจากศาสนาไปเพราะไปหลงงมงายในสิ่งที่ไม่ใช่สาระชมมหาวิทยายลัยแล้วสมภารวัดไทยนาลันธาก็นำคณะผู้สแสวงบุญไปชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยายลายัย บาบูตัวน้อยๆวิ่งกรูกันเข้ามาขายของที่ระลึกเป็นพระพุทธรูปบ้างภาพถ่ายมหาวิทยลาลัยนาันทาบ้างภาพถ่ายเขาคิชกูตบ้างบอกราคาไว้ตั้งแต่ร้อยรูปีแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาตามการต่อรองของผู้ซื้อเท่าแก่เสียงอยากได้พระพุทธรูปไว้บูชาเห็นว่าราคาร้อยรูปีก็ยังถูกกว่าเช่าที่เมืองไทย จึงเช่ามาสามองค์เพื่อฝากญาติมิตรด้วยเขาจ่ายเงินไป300รูปีด้วยความเต็มอกเต็มใจเมื่อจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ไม่สามารถนำพระพุทธรูปเข้าไปได้จึงต้องฝากไว้กับยามเฝ้าประตูออกจากพิพิธภัณฑ์ทุกคนพากันมาขึ้นรถเพื่อจะกลับไปรับประทานอาหารที่วัดไทยนาลันทา ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังเมืองพาราณสีแต่ละคนนำสินค้าที่ซื้อไว้มาอวดกันสตรีที่จ้างค่าสามีนำพระพุทธรูปที่เช่ามาองคหนึง่งคุยอวดว่าเด็กคนขายบอกราคาตั้งหนึ่งร้อยรูปีแต่หล่อนสามารถต่อรองให้เหลือสามสิบรูปีบางคนเช่ามาในราคาสิบรูปีห้าสิบรูปี หล่อนจึงได้เป็นอันดับหนึ่งในการต่อรองเท่าแก่เสงไม่ได้นำออกมาอวดเพราะเข้าใจไปในราคาอง์ละร้อยรูปีเต็มๆหากก็ไม่ได้นึกเสียดายคิดว่าเจ้าพระพุทธรูปจากแดนพุทธภูมิไปบูชาก็เป็นบุญโขแล้วส่วนคนขายแม้จะโกงราคาก็ถือว่าช่วยสงเคราะห์เขา ในเมื่อไม่สามารถให้ทานตรงตรงได้ก็ให้ด้วยวิธีนี้จึงมีแต่บุญกับบุญรถบัสนำคณะทัวผู้สแสวงบุญมาจอดที่หน้าวัดเมื่อเวลา1 0 4นาิกานาทียังมีเวลาที่จะไปชมห้องสมุดของนวนารันทามหาวิหารพระมหาทองยอดจึงพาไปชมหอสมุดซึ่งอยู่หน้าวัด เป็นหอสมุดขนาดเล็กเพราะถูกจำกัดด้วยเนื้อที่ภายในหอสมุดมีหนังสือเก่ามากมาวางอยู่บนชั้นมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและภาษาไทยมักุเทศกิติมศักดิ์บรรยายว่าหอสมุดแห่งนี้เป็นที่เก็บหนังสือที่หลงเหลือจากการเผาทาลายแต่ปัจจุบันหนังสือเหล่านี้ ถูกพวกเสมียนที่ทำหน้าที่เฝ้าหอสมุดแอบขโมยเนื้อในไปขายให้ฝรั่งเหลือไว้แต่ปกหนังสือเก่าแก่ซึ่งหาค่าบอมิได้ก็เลยมีอันต้องสูญหายไปไม่รู้จะจับมือใครดมเพราะคนเฝ้าก็ล้มหายตายจากไปหลายชั่วคนแล้วน่าเสียดายนักครับที่หลักฐานสำคัญทางพระพุทธศาสนาต้องมาถูกทาลาย ที่ไม่ถูกทำลายก็อุตส่ามีคนขโมยไปขายท่านพระครูพูดอย่างนึกเสียดายมรดกอันมีค่าของมนุษ ย, ยชาติแต่สสารไม่หายไปจากโลกหรอกครับท่านเพียงแต่เราไม่รู้ว่าตกไปอยู่ในมือใครประเทศอะไรสมภารวัดไทยนารันทาพูดความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ครับผมก็พยายามทำใจ ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษ์คือไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท้จึงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมหาวิทยาลาัยนันทาที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีตมาบัดนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังอาณาจักรศรีวิชัยที่เคยมีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง บัตรนี้ก็กลายเป็นประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและดินแดนแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชของไทยหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยก็คือพระพุทธรูปปุโรพุทโธ ท, ที่ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนออกเดินทางไปพราราณสีมีพิธีทอดผ้าป่าที่วัดไทยนารันธาเพื่อสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุที่มาเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิหลังจากนั้นคณะผู้สแสวงบุญจึงนมัสการลาเจ้าอาวาสวัดไทยนารันธาและพากันขึ้นรถซึ่งล้อเคลื่อนเวลาสิบนาฬิกาตรงน่าแปลกใจตรงที่ทุกรูป ทุกนามที่นั่งมาในรถต่างง่วเงาหานอนผิดปกติการบรรยายมีอันต้องระงับไปเพราะทั้งผู้บรรยายทั้งผู้ฟังพากันหลับตั้งแต่รถแล่นไปไม่ถึงสองกิโลเมตรสมพานวัดป่ามะม่วงรู้สึกถึงความไม่ปกติในครั้งนี้จึงไหว้าวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบเห็นหนอรายงานว่าแม่ชีวัดไทยนารันธาต้องการแสดงฝีมือ ในการปรุงอาหารจึงใส่ผงชูรสมากกว่าปกติเหตุการณ์ไม่ปกติจึงเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านก็จำวัดเพราะหนังตาหนักจนฝืนไม่ไหวเป็นอันว่าทั้งสมณะทั้งคารหัดถูกสเสน่ปลายจวักของแม่ชีไทยวัดนาราันทามาเย้าวยวนชวนให้หลับไหลไรสติกันทั้งคันรส โชคดีที่คนขับและเด็กรถไม่ได้รับประทานด้วยมิฉะนั้นการเดินทางต้องถูกระงับเพราะหลับกันหมดคนขับมองจากกระจกที่อยู่เหนือศีรษะของเขาเห็นคนในรถพากันหลับหมดรวมทั้งพระคุณเจ้าที่เป็นมคุเทศจึงได้พูดกับเด็กรถว่าทำไมผู้โดยสารหลับกันหมดทุกวันไม่เห็นเป็นอย่างนี้สงสัยคงจะเหนื่อย ให้พวกเขาได้พักผ่อนบ้างจะได้มีแรงเดินทางต่อไปว่าแต่ถนนขลุขลาออกอย่างนี้พวกเขาก็หลับกันได้สกีนาทีกันเด็กรถพูดด้วยความเป็นห่วงแต่การหลับไม่เป็นไปนดังที่เด็กรถห่วงเพราะแม้ถนนจะขลุขละเป็นหลุมเป็นบอ่อแต่ว่าผู้โดยสารยังหลับสนิทราวกับถูกวางยา นาลันทากับพาราณสีห่างกันไม่ถึง200กิโลเมตรหากเป็นเมืองไทยก็ใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงแต่เมื่อเป็นประเทศอินเดียที่กฎหมายจราจรกำหนดให้ขับรถไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องใช้เวลามากกว่าแม้กฎหมายจะกำหนดไว้เช่นนั้นทว่าในทางปฏิบัติปรากฏว่าขับอยู่ระหว่าง 30-40 กิโเมตรต่อชั่วโมง ด้วยเหตุผลที่ว่าถนนไม่ดีหนึ่งและรถรามากจนทำให้จราจรติดขัดแล้วก็ล่าช้านหนึ่งปัจจัยสองประการนี้จึงไปสนับสนุนให้ผู้โดยสารหลับได้สนิทเนิ่นานานยิ่งขึ้น4ชั่วโมงให้หลังรถบัสก็มาจอดนิ่งอยู่ที่วัดไทยสารนาศกระนั้นก็ยังไม่มีผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งตื่นมารับรู้ เด็กรถจึงต้องเดินเข้ามาปลุกพระเจริญและก็พูดเป็นภาษาไทยว่าพันเตถึงแล้วครับพระมกุเทศจำต้องตื่นทั้งที่ยังไม่อยากตื่นท่านกรอกเสียงลงไปในไมโครโฟนว่านิมนพระคุณเจ้าตื่นได้แล้วครับญาติโยมทั้งหลายบัดนี้เรามาถึงวัดไทยสารนาศเมืองพาราสีแล้วเข้าที่พักล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวเราจะไปสวด พระพุทธมนต์ธรรมาจาักรกับวัฒนสูตรกันที่ทำเมคฆคาสถูปตื่นเถอะครับทั้งพระและคฤรือหัดลืมตาตื่นอย่างยากเย็นยกเว้นท่านพระครูเพราะท่านได้ฝึกจิตไว้ดีแล้วหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดขึ้นด้วยเสียงอู้อีว่าทําไมง่วงอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับท่านพระครูประโยคหลังท่านถามจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงซึ่งนั่งติดกับท่าน พวกเราถูกแม่ชีวัดไทยนารันทาวางยานะครับหลวงพ่อหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพวกเราถูกแม่ชีวัดไทยนารันทาวางยาครับท่านพระครูตอบเหมือนเดิมวางยาอะไรเขาจะทำเช่นนั้นเพื่อประโยชน์อันใดหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามสองหัวข้อในคราวเดียววางยาผงชูรสครับเขาคงอยากให้พวกเราได้พักผ่อน ผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีท่านช่วยอธิบายหน่อยคือเขาอยากให้พวกเราประทับใจในฝีมือการปรุงอาหารของเขาหนักครับเลยโกยใส่ผงชูรสจนเกินพิกัดพวกเราก็เลยหลับไหลไม่สมประดีถ้าเขาใส่มากกว่านี้อีกนิดเดียวก็รับรองพวกเราหลับไม่ตื่นแน่ท่านพระครูอธิบายพอดีทุกคนลงจากรถกันหมดแล้ว ท่านกับลงพ่อวัดดอนเมืองจึงลงเป็นลำดับสุดท้ายพระกับคฤหัสถ์มาขึ้นรถพร้อมกันอีกครั้งพระมากุเทศก็บอกให้ออกรถสามนาทีต่อมาจอดรถที่หน้าทำเมคฆคาสตูปผู้นำทัวร์บอกจำนวนผู้เข้าชมกับคนขายตัว๋วแล้วก็ให้คณะผู้แสวงบุญเดินตามพระมากุเทศเข้าไปก่อน ส่วนโตเธอจะตามไปหลังจากจ่ายเงินเข้าชมและรับตั๋วตามจำนวนคนแล้วพระเจริญอรัตนาพระครูเจริญให้นำสวดพระธรรมจักรกับประวัตนาสูตรที่หน้าธรมเมกาสถูปอันเป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรการได้ดวงตาเห็นธรรมของพระอัญญากนทัญญาพระภิกษุองค์แรก ในศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเป็นผู้เดียวที่สวดพระธรรมจักรได้โดยไม่ต้องดูหนังสือทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านได้รับคำแนะนำจากพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งว่าหากต้องการให้อุดมด้วยธรรมสมบัติและวัตถุสมบัติ ให้สวดพระธรรมาจักรให้ครบ 1,000 ันจบท่านก็ทำตามโดยเริ่มสวดมาตั้งแต่ปี 2,509 ักมาครบพันจบเมื่อปี 2,526 และวัดของท่านก็อุดมด้วยธรรมสมบัติและวัตถุสมบัติจริงดังที่พระผู้ใหญ่รูปนั้นแนะนำเท่าแก่เซ้งสวดพระธรรมาจักรด้วยความตั้งใจแม้ไม่เข้าใจในถ้อยคำที่สวด หากก็รู้สึกทราบซึ้งอย่างบอกไม่ถูกโดยเฉพาะข้อความที่ว่าพิกเวปุกเพอ น, นัณนุสุเตสุทำเมสุจักขุงอุปาทาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปปาทิซึ่งต้องสวดซ้ำๆอย่างนี้ถึงสิบสองครั้งและเมื่อสวดจบลง เขาก็เกิดความปีติทราบซึ้งอย่างบอกไม่ถูกเห็นการเกิดดับของสังขารทาทั้งหลายว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นจิตที่เป็นอิสระปลอดโปร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้ได้ทันทีว่ามาได้ของดีในแดนพุทธภูมิแล้วความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของ พระผู้ทรงมหากรุณาต่อสัตว์โลกเขาเชื่อมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจนิดที่แม้จะถูกนำไปฆ่าให้ตายก็จะไม่เสื่อมคลายจากความเชื่อมั่นนี้ท่านพระครูเป็นผู้เดียวที่รู้ด้วยญาณว่าบุรุษวัยเจ็สิปีได้ธรรมจักสุแล้วด้วยบารมีที่สั่งสมมาแต่อดีตชาติหนึ่งด้วยแรงอธิษฐานไว กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งมหาวิทยาลัยนาลันทานหนึ่งและตลอดชีวิตในชาตินี้เขาประกอบแต่กุศ ล, ลกรรมหนึ่งด้วยเหตุปัจจัยสามอย่างนี้เขาจึงสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำสามข้อแรกได้คือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปะตะปรามาเขาจะเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกไม่เกินเจดชาติ ก็จะถึงที่สุดแห่งทุก์ได้นับเป็นโชคอันดีเป็นลาบอันประเสริฐที่เขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาชีวิตของเขาไม่เป็นหมานแล้วเมื่อคณะผู้สแสวงบุญสาธยายพุทธมนต์จบลงท่านพระครูได้รับอารัตนาจากพระมกุเตศให้แสดงธรรมขณะนั้นพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าทาง เบื้องทิศตะวันตกสรรพสิพส่งเงียบสงบเหมือนจะสอดรับกับบรรยากาศแห่งการเห็นธรรมของบุรุษวัยเจสิบณบัดนี้จิตของทุกคนสงบนิ่งเป็นความสงบที่มีความผ่องใสเช่มชื่นภายในและพร้อมที่จะรับธรรมะพระกุณเจ้าที่เคารพและญาติโยมที่รักทุกท่านอัตมาขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่ได้มาถึงสังเวชนิยสถานอันเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเรียกเป็นทางการว่าธรรมจักกปะปวัตนสถานเพราะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักกปะปวัตนสูตรโปรดปัญจวคีที่ป่าอิสิปตนมรุกขายวันแขวงเมืองพารณาสีซึ่งปัจจุบันเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าสารนา เจดีที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเรามีชื่อธัมเมกาสถูปสถูปคือเจดีส่วนธรรมเอกะมาจากคำว่าธรรมะซึ่งแปลว่าธรรมหรือธรรมะกับคำว่าอิกะซึ่งแปลว่าเห็นเพราะเป็นสถูปหรือเจดีที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเห็นธรรมของท่านัญญาโกณทัญญะ อาตมามีความยินดีที่พวกเราได้มาถึงที่นี้ด้วยอำนาจบุญกุศลเว้นจากบุญกุศลเสียแล้วท่านจะมาถึงสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เลยอาตมาขออนุโมทนานในบุญกุศลของญาติโยมโดยเฉพาะโยมคนหนึ่งในคณะของพวกเราที่มาได้ของดีในที่แห่งนี้ที่ว่าได้ของดีก็คือธรรมจักสุ เมื่อที่ท่านโกนธัญญาได้เมื่อวันเพ็ญเดือนอาสาระหะก่อนพุทธศักราช45ปีซึ่งนับถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา 2,573 ปีแล้วอาตมาขออนุโมทนาแม้ท่านพระครูจะมิได้บอกว่าโยมที่ได้ของดีนั้นเป็นใครทว่าทุกรูปก็คิดตรงกันว่าจะต้องเป็นโยมเสงย์ใจบุญ